พอาจารย์มาแล้วนะครับท่านครับถ้าใครที่มีคําถามก็เตรียมถามได้เลยนะครับประพาจารย์ตรงเวลาเป๊ะเลยอาจารย์ครับใช่เลยครับไลน์สิครับอาจารย์ครับการนวั ส, สการอาจารย์ครับผมมาไปเลยว่ามาเลยได้ครับอาจารย์มี <laughs> ม, มีมีคําถามที่ที่ค้างอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ผมเลยจะขออนุญาตอ่านคำถามจากสาที่แล้วนะครับผมมีคนถามว่าคุณนภักนะครับอาจารย์ครับถามว่าการสวดมนต์ไหว้พระจําเป็นต้องทําก่อนหนึ่งทุ่มใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกด้วยภารกิจส่วนใหญ่จะสวดมนต์ช่วงสี่ห้าทุ่มอย่างนี้จะได้ไหมครับอาจารย์ครับความจริงการสวดมนต์ไหว้พรนนี่เป็นการเจริญสติยังทําได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวก ว่าเราสวดเพื่อทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายพร้อมที่จะนั่งสมาธิต่อไปครับผมมีคําถามเข้ามาในช่องครับอาจารย์ครับจากคุณ SS Channel ครับแต่ว่ากราบธรรัสกา ร, ร, การค่ะระยะเวลาใ น, ในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งควรกําหนดเวลาไว้ไหมคะเวลาเท่าไหร่เหมาะสมคะครับนั่งให้นานที่สุดเท่าที่เราจะนั่งได้ การนั่งสมาธินี้ก็เป็นการให้ความสุขกับใจยิ่งนานเท่าไหร่ยิงงยย่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆที่จะต้องตั้งเวลาก็าไม่ต้องตั้งเวลานั่งไปให้จนกระทั่งหมดกำลังที่จะนั่งแล้วค่อยลิกอรับผมพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นคําถามอ่านให้ฟังนะครับจากคุณเปรมจิตนะครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิแล้วปวดหลัง หากเราใช้พนักพิงหลังจะผิดหลักการนั่งสมาธิหรือไม่คะคือการนั่งพิงหลังนี่มันจะทําให้สบายแล้วจะทําให้สตินี้อ่อนลงแล้วก็จะทำให้หลับได้ยังทาให้จะเป็นจริงๆอย่านั่งโดยเบีอะไรพริงหลังดีกว่าพยายามนั่งโดยใช้ร่างกายเราตั้งตัวให้ตรงเวลาก่อนจะนั่งเราก็ตั้งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็ง นั่งให้สบายแต่อย่าให้มันมองอเพื่อที่จะได้ไม่หลับง่ายหลังจากที่เราตั้งตัวเรียบร้อยแล้วเวล า, เานั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายมันเอ็นไปทางด้านไหนด้านหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มีสติอยู่กับการภาวนาของเราไปพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธดูดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ ถ้าเราไปโมกังวลกับเรื่องของร่างกายจิตเราจะไม่เข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเริ่มนั่งสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับอิริยาบถทาทางของร่างกายให้อยู่กับการดูล ม, มอยู่กับการบริกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบต่อไป อาจารย์ครับคุณบูมซองครับบอกกราบธรรมการพระอาจารย์คนเราสามารถเจริญทั้งทางธรรมและทางโลกได้ไหมคะขอบคุณคุณหมอวีมากค่ะครับทางได้ถ้าเรายังอยู่ทางโลกอยู่เราก็สามารถเจริญทางธรรมในระดับของทางโลกได้เช่นทำบุญให้ทานมีนความออเอเื้อเผื้อเผิดแผ่มีความเมตตากราุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ มีการไม่เบียดเบียนผู้ด้วยการรักษาสี่ห้าและเราเวลามีเวลาว่างในหลังจากที่เราเลิกจากทำงานก็หาเวลามาพลึกสมาธิมาเจริญปัญญาด้วยการทังเทศฟังธรรมด้วยอย่างเข้ามาสนทนาธรรมแบบที่ทำอยู่ขณะ น, นี้เพื่อจะได้เกิดปัญญาได้ความรู้ว่า เราจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นในระดับต้นๆ น, นี้สามารถเจริญทั้งทางทำและทำโลกไปคู่กันได้แต่ถ้าเมื่อทำทำเริ่มเจริญมากขึ้นมากขึ้นจิตได้สัมผัสกับความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็อาจจะต้องการปฏิบัติทําให้มากขึ้น ตอ น, นั้นกา จ, จะต้องมีการแยอกออกจย่างตามโลกไปตามลำดับต่อไปจากคุณอาทิตย์ครับอาจารย์ครับการรัตรการพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามคำถามย่อยสามคำถามครับข้อที่1การมราคะที่ไม่ผิดศีลเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมหรือไม่ครับเพราเห็นว่าค า, ารวะที่มีสามีภรรยาก็ยังบรรลุเป็นถึงพระโสดาบันได้ครับอาจารย์ คือการบรรุธทรงนี่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันในระดับที่หนึ่งนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมราคะหรือผู้ที่มีการมราคะนี้ยังสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้าอยากจะขึ้นระดับที่สองที่สามและที่สี่ตามลาดับนี้จาเป็นที่จะต้องกาจัดการมราคะเพราะการมราคะนี้จะเป็นอุปสรรค ต่อการที่จะบรรลุทำขั้นสูงต่อไปนั่นเองคำถามข้อที่สองครับบอกว่ารอให้ถึงขั้นสกิทาแล้วค่อยละได้ไหมครับก็ไม่ต้องรอก็ได้เพราะว่ามันพระสโสดาบันนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการมาราคา่ะสิ่งที่ท่านต้องกังวลก็คือสกรยาทิตติคือความเห็นผิด เห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่เท่านั้นเองเป็นพระโสดาบันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละการมราคาแต่อย่างใดแต่ถ้าอยากจะเป็นพระสะกิดาคาพระอนาคานี้จาเป็นที่จะต้องละการมราคาถึงจะขึ้นสู่ระดับของพระสะกิดาคาและพระอนาคามี้เกิไปได้ข้อที่สามนะครับรอาจารย์ครับ แล้วถ้าจำเป็นต้องละทำอย่างไรถึงจะข่มใจลดเลิกความพอใจในการปราคะได้พยายามปรงอสุภะเจริญอาการสาสิบสองซึ่งช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้หายขาดขอยาแรงครับต้องเอารูปศพไว้ดวูให้ติดตาเลยไหมครับถ้าดูได้ก็ดีเพราะมันจะทำให้การปราคะให้หดตัวลงไปเราจะต้องปรับปรุงชีวิตของเราถ้าเราต้องการที่จะขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น เวาอาจจะต้องไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่ใกล้ภรรยาหรือสามีมันก็อาจจะทำให้เราวนี้ไม่สามารถละกามราคะหรือไม่สามารถเจริญอสุภกรรมฐานได้เราจาเป็นที่จะต้องหาเวลาปรีกบวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อหนึ่งทำใจให้สงบเป็นสมาธิเพราะใจที่สงบเป็นสมาธินี้จะมีกำลังพิจารณาอสุภในรูปแบบต่าง แล้วก็จะทำให้สามารถละกามาราคะได้แต่ถ้าอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะของเพศตรงกันข้ามมันจะทำให้เกิดการมาลงได้ง่ายและดับได้ยากเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นสู่ทางขั้นที่มีคำถามจากคุณไอรีนทิมครับบอกว่าเดินจงกรมนานๆหลายชั่วโมงจิตก็ยังไม่สงบ ไม่แน่ใจว่าจงกรมเป็นแค่การฝึกสติหรือเปล่าคะถ้าจะให้สงบมากขึ้นต้องมานั่งหรือนอนใช่ไหมคะงั้นแทนที่จะเดินหกชั่วโมงต่อวันถ้าแบ่งเป็นเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสามรอบจะดีกว่าไหมคะคือเวลานี้มันไม่เกี่ยวนะกับผลที่จะได้แล้วผลที่ได้รับจากการเดินและการนั่งนี้อยู่ที่จะที่สติว่าเรามีสติหรือไม่ถ้าเรา เดินไปแล้วใจรอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดินไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลที่เกิดจากการเดินและการนั่งนี่จำเป็นที่จะต้องมีสติให้ตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่เช่นกาลังเดินก็ให้ดูการเดินของเราไป อยู่ที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้สามารถเข้าสู่ความสงบได้เร็วและสามารถอยู่กับความสงบไปได้นานอันนี้ขึ้นอยู่กับสติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเดินหรือนั่งเป็นหลัก คำถามจากคุณแทนนะครับบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์มาหกถึงเจ็ดวันแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายตอนเดินจงกรมตอนฟังเทศสวดมนต์อิรยาบททั่วไปปฏิบัติผิดทางอย่างไรหรือเปล่าคะจริงๆควรจะสงบไหมคะถ้าได้ยินอะไรก็ขอให้นู้ว่ามันเป็นายรักก็แล้วกันให้คิดว่ามันเป็นอนิจจมทุกข์นันธ์ถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็จะทาให้ใจเราวุ่นวายได้ และอย่าไปสนใจได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินให้เรารู้ว่าจิตเรายังไม่สงบพอถ้าสงบจริงๆแล้วจะไม่ได้ยินอะไรจะไม่ได้เห็นอะไรจิตจะอยู่กับความว่างแต่ถ้ายังไม่สงบก็อาจจะเห็นอาจจะได้ยินอะไรก็อย่าไปสนใจให้ตั้งอยู่กับให้มีให้ตั้งจิตอยู่กับการสวดมนต์ไม่อยู่กับการฟังเทศ คุณแทนท่านเดิมครับอาจารย์ครับบอกว่าออกจากงานมาปฏิบัติเป็นเวลาต่อนเนื่องนานหลายเดือนรู้สึกเหนื่อยสับสนและหิวทางบ้านก็อยากให้กลับไปทํางานถ้าเราหยุดกลับไปพักที่บ้านบ้างระยะสั้นๆจะดีไหมคะคือถ้าเป็ น, ปนไปได้ก็อยากกลับไปดีกว่าเมื่กลับไปแล้วมันอาจจะทําให้ไม่อยากจะกลับไปปฏิบัติเองก็ได้เพราะติเลตปัญหาข อ, องเรามันจะติด กับความสุขสบายกับการอยู่ที่ทำบ้านมันจะทำให้เราขี้เกยียจภาวนาขี้เกยียจปฏิบัติธรรมและในที่สุดเราก็อาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้ถ้าไม่จาเป็นจริงๆอยากกลับบ้านลยกวา่าให้พยายามอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆถ้าจะจาเป็นจะต้องกลับก็ต้องควรจะมีระยะเวลาเช่นกี่วันก็ว่าไปแล้วก็ต้องระมัดระวัง พยายามปฏิบัติเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่วัดหรือยอยู่ที่สถานที่เราปฏิบัติกลับมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างแต่ถ้ากลับมาเพื่อพักผ่อนพักการปฏิบัติแล้วกลับมาแสวงหาความสุขทางโลกอันนี้ก็เป็นการเดินถอยหลังและอาจจะไม่สามารถกลับไป ก, ก, กลับไปหาการปฏิบัติทําได้ยังต้องระมัดระวังถ้าเราต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าทางธรรมนี้เราต้องอย่ า, าหันหน้ากลับเข้าบ้านออกจากบ้านแล้วก็ ไปเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นคุณไอรีนคิมครับบอกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วสติหมดกําลังแล้วกําลังจะหลับไปเราไม่สามารถบังคับให้มันเกิดขึ้นมาเพิ่มได้ใช่ไหมคะเราต้องลุกขึ้นไปเดินจงกรมเพื่อเพิ่มสติขึ้นมาแล้วมานั่งสมาธิต่อหนูเข้าใจถูกไหมคะนอกจากเดินแล้วก็เราสามารถนั่งแล้วสวดมนต์ขึ้นเริ่มเริ่มต้องสวดมนต์ใหม่ก็ได้ หรือเริ่มต้นบริการพุโทโธรใหม่ก็ได้การสวดมนต์ก็ดีการบริการพุทธโทก็ดีก็จะเป็นการปลุกสติให้คื้นกลับขึ้นมหมีคุณเด็กกิงกิงครับถามว่ากราบธรรมสการ์พระอาจารย์ค่ะก่อนนอนทุกครั้งจะสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันกําหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธบริการมพุโทโธอ่อนนีเป็นการกราบเรียนพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นี่ทาได้ก็ดีทําไป คุณวินเอฟครับจากความเชื่อของาศาสนาคริสต์องมีสวรรค์เหมือนกันอยากรู้ว่าสวรรค์ของาศาสนาพุทธกับคริสตเหมือนกันไหมครับคือแต่ละาศาสนาก็อาจจะมีความเขา้าใจเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นในต่างกันก็ได้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนได้ว่ า, าศาสนาคริสต์นี้เขาว่าสวรรค์เป็นอย่างไรงสำหรับศาสนาพุทธนี่สวรรค์ก็คือ เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับถ้าเราฝันดีฝันว่าเราได้ไปพบกับความสุขในรูปแบบต่างๆอันนั้นแหละคือสวรรค์สําหรับทางชาวพุทธเราซึ่งก็เชื่อว่ามันเป็นกับทุกคนที่มีจิตใจไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือคริสต์เวลานอนหลับก็จะต้องพบกับสวรรค์ในนรกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้านอนหลับฝันร้ายก็เหมือนกับได้ไปนรก ถ้านอนหลับฝันดีก็เหมือนกับได้ไปสวรรค์เพราะว่าตอนที่เราตายนี่ก็เป็นเหมือนการนอนหลับนี่เองตอนที่เรานอนตอนที่เราตายร่างกายเราไม่มีใจเรายังอยู่ต่อใจเราก็ฝันไปในรูปแบบต่างๆเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับขณะที่เรายังมีร่างกา ย, อยตอนที่เรานอนหลับร่างกายก็เหมือนตายชั่วคราวพอเราตื่นขึ้นมาร่างกายก็ๆๆๆก็กลับมาแล้วก็กลับมาสู่ร่างกาย เพราะฉะนั้นความจริงแล้วสวรรค์นรกก็คือสภาพของความฝันของจิตใจฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันไม่ดีก็เป็นนรกเป็ น, นอบายเท่านั้นเองจากคุณทิติรัตน์ครับกราบธรรมสกา ร, ร, การเจ้าค่ะหากเพียรสติสมาธิแล้วในระหว่างวันเห็นสบุไทยความอยากและไม่อยากควรพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าค่ะก็ต้องเหตุที่ว่า เวลากสมุทยัยแล้วใจเราทุกข์แล้วไม่ทุกข์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีสมุทัยขึ้นมาแล้วใจเราจะต้องทุกข์หรือถ้าอย่างน้อยก็ไม่สุขเวลาเกิดสมุทัยขึ้นมาในใจเราจะกะังวลกังวลกระซับกระสายนี่เรียกว่าทุกข์ถ้าเราต้องการกําจัดความกังวลกังวลกระซับกระสายความวิตกความกัวงวลหงายอะไรต่างๆเราก็ต้องละสมุทยัย โดยการเจริญมรรคคือปัญญาด้วยการสอนใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีหยดมีดักเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะทุกข์เวลาที่ไม่ได้ตามความอยากถ้าแม้จะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน <c oughs> ใหผมอ e ่านคำถามนะครับอาจารย์ครับจากคุณอมพรบอกว่าขอหลวงพ่ออธิบายการยาณมิตรทั่วไปไม่ใช่เฉพาะทางธรรมค่ะการยาณมิตรก็แปลว่าเพื่อนที่ดีนั่นเองคำว่าการยาก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีก็ต้องพาเราไปสู่ที่ดีคือความสุขความเจริญไม่ใช่พาเราไปสู่ความเสียหายเดือดร้อนต่างๆเช่นเพื่อนที่ดีก็จะไม่ชวนเราไปเล่นการพนัน ไม่ชวนเราไปดื่มชราายามังเป็นต้นเพราะการกระทำเหล่านี้มักจะพาไปสู่ความวุ่นวายความเดือดร้อนความเสียหายต่อไปนั่นเองน่ความหมายของกาลยานนั้นนีงก็คือมิตรที่ดีนี่อาจารย์ครับมีคำถามในช่องใน u t u b e นะครับบอกว่าผิดศีลฆ่าสัตว์คือฆ่ามดแมลงสาบยุงเอาปลามาเลี้ยงแล้วปลาตายจะเป็นบาปติดตัวไปไหม เกิดชา ต, ติต่อไปต้องเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างในชาตินี้ครับเออทำบาปแล้วทำบาป ม, มันก็จะติดตัวไปกับใจของเราแล้วก็ไปล้างบาปไม่ได้สักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่มันจะส่งผลมันก็จะส่งผลทําให้เราต้องไปรับผลบาปนั้นวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากผลบาปได้ก็คือต้องปฏิบัติธรรมจนบรรลุ ถึงพ่นานิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเทั้งนั้นถึงจะหลีกเลี่ยงการที่จะมารับผลบาปต่างๆได้ถ้ายังกลับมาเกิดไม่ช้าก็เร็วเมื่อเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะให้เรารับผลบาปมันก็จะปรากฏขึ้นมาจากคุณสรันครับอาจารย์บอกว่ากราบล้านสการครับอาจารย์การภาวนาที่จริงแท้คืออะไรครับ คำวาภ า, านวนาก็คือแปลว่าการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเราเรียกว่าสมถภาวนาคือยกระดับจิตให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการทำใจให้สงบเช่นการนั่งสมาธิโดยลมหา ใ, ใจเข้าออก หรือบริการมพุทธโธพุทธโธนี้จะทำให้ใจเราสงบแล้วทำให้ใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้ใจเราสูงขึ้นเพราะเวลาเรามีความสุขเราจะมีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่ให้มากกว่าเป็นคนที่จะไปเบียดเบียนผู้เป็นต้นแต่ระดับของสมถะคือความสงบ นี้เป็นระดับชั่วคราวยังไม่ถาวรซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่เรื่อยเื่อยความสุขที่ได้จากการเจริญสมมาภาวนาก็จะเสื่อมหมดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ความสมบสุขของใจนี้เป็นถาวรเราก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือสอนใจให้เห็นว่า การที่จิตใจเราเสื่อมเราต่ำลงก็เพราะกิเลสตัณหานี่องความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงที่ทําให้จิตใจเราลงต่ำและมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราลงต่ำต้องการให้จิตใจเรามีแต่ความสงบมีความสุขเราก็ต้องละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากด้วยการพิจารณา สิ่งที่ความกิเลสตันหาต้องการว่าเป็นไตรลักว่าเป็นของไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวได้มาลนะเดี๋ยวก็หมดไปห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหมดไม่ได้เวลาหมดก็จะเกิดความทุกข์และอาจจะทําให้เราต้องไปทําอะไรที่ไม่ดีต่อไปได้เช่นให้เห็นราบยศสรรเสริญสริว่าเป็นของไม่ถาวรไม่แน่นอนมีราบก็เสื่อมลาบได้ มียศก็เสื่อมยศได้มีสารเสรื่อมก็มีนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้ถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาจิตก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดกับราภยศสารเสริญสุขไม่มีความอยากได้ราภยศสารเสริญสุขจิตก็จะอยู่อย่างสงบเพราะสิ่งที่ทําให้จิตไม่สงบก็คือความอยากต่างๆเหล่ า, านี้อนี่คือการภาวนาที <c oughs> ่แท้จริง อาจารย์คพุตอาทิตย์ครับบอกว่าหมอที่ผ่าตัดอวัยวะหรือหมอผ่าศพที่เห็นความไม่งามของร่างกายอยู่ทุกวันทั้งรูปกลิ่นสัมผัสทําไมถึงยังไม่สามารถละกามราคะได้ครับพระอาจารย์มีเทคนิคอย่างไรในการพิจารณาสุภาษครับเพราะว่าเขาไม่มีความปรารถนาที่จะละนั่นเองเขาเพียงแต่ทํางานทําหน้าที่ของเขาเพอเขาเสร็จหน้าที่เขาก็เลิกเขาไม่ไปคิดถึงซากศพคิดถึงอวัยวะต่างๆ เวลาเขาเห็นรูปน่างของคนที่สวยงามหรือหน่าดูเขาก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้าเขาเป็นคนที่อยากจะละกามาราคะนี่เขาจะเป็นบุคคลที่มีโอกาสละได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นเพราะว่าเขาได้สัมผัสได้เห็นได้รู้อยู่แทบทุกวันทุกเวลาแต่ว่าเขาไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการละกามาราคะนั่นเองแต่ถ้าเขาต้องการละนี่พอเขาเกิด กา ร, รมาราคขึ้นมาพอก็นึกถึงซากศพนึกถึงอวัยวะต่ า, างๆของร่างกายที่ไม่สวยงามการมาราค ก, ก็จะหายไปได้ทำยังไงถึงสามไม่สามารถละการมาราคาได้ก็เพราะเราไม่นึกถึงมันบ่อยๆ น, นั่นเองไม่นึกถึงอสุภะบ่อยๆต้องหมั่นพยายามเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆนึกถึงอาการ32นึกถึงซากศพ ถ้าดีควรจะไปดูของจินบ้างไปดูที่สถาบันนิติเวชที่มีการผ่าชนะสูตรต่างๆดูแล้วก็พยายามเอามานึกเอามาคิดให้มันสัองอยู่ในใจของเราเหมือนกับการท่องสูตรคูณเหมือนกับการสวดมนต์สวดไปท่องไปให้มันจดจำได้อสุภะก็เหมือนกันพยายามนึกคิดถึงมันอยู่ให้มันอยู่ในใจเราต่อไปเวลาเกิดการมาราคะเราก็จะสามารถ นึกถึงมาสุภักด์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะทำให้กรรมราคะนี้หดหายไปได้คาครับจกคุณไอรนคิมครับการคุกคี h a n g i n out กับเพื่อนเป็นการทำลายสติระหว่างวันใช่ไหมคะแล้วมันส่งผลกับการปฏิบัติเยอะไหมคะเมื่อเวลาคุกคีกันเราต้องใช้ความคิดความคิดแล้วก็มันก็ทำให้จิตเราฟุ้งซ่าน ถาเราอยู่คนเดียวเราก็คอยควบคุมไม่ให้คิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่มีใครมาชวนเราคิดเราอยู่คนเดียวถ้ามันคิดเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ง่ายกว่าบริกรรมพุโทโธได้ง่ายถ้าเราอยู่กับเพื่อนๆ เ, เราจะไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการอยู่คุกคีกันนี้เป็นการทําลายสติไม่ได้เป็นการช่วยให้เจริญสติ พระุทธเจ้าถึงสอนให้ผู้ปฏิบัติพยายามปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ครุกคลีกับบุคคลต่างๆเพื่อที่จะควบคุมจิตให้ว่างจากความคิดปูนแต่งต่างๆนั่นเองจากคุณวิบูลครับบอกว่าสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์แเป็นอย่างไรครับอาจารยคือสมาธินี่มี2แบบสมาธินิธีเป็นสัมมาก็คือ ที่ถูกต้องที่จะสนับสนุนการบรรลุมรรคผลนิพพานนะสมาธิที่ไม่ได้สนับสนุนการบรรลุมรรคผลนิพพานสมาธิที่สนับสนุนที่เป็นสมาสมาธินี้ก็คือฌานขั้นต่างๆฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่2อขั้นที่สามขั้นที่4ี่ลูกประฌานอันนี้เป็นสมาธิที่ทำให้จิตนิ่งจิตสงบจิตมีความสุขและจิตมีอุเบกขา กำลังที่จะหยุดความความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ส่วนสมาธิอีกชนิดหนึ่งนี้ที่เป็นวิจฉาสมาธิก็เป็นสมาธิที่ทําให้เกิดอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆหรือสา ม, มารถที่จะติดต่อกับเทพเทวดาหรือกายทิศต่างๆสมาธิแบบที่สองนี้เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งไม่ไม่ทำให้จิตมีความสุข ไม่มีอเอเบกาเพราะฉะนั้นจงอีกเรี่ยงสมาธิแบบนี้ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนในการที่จะปะจัจจัญปัญญาเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานสมาธิที่เป็นที่ที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารนี่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนสมาธิที่นิ่งสงบได้นาน เป็นอุเวขามีความสุขนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิเราต้องมุ่งไปที่อัปปนาสมาธิให้จิตสงบนิ่งอย่าเอาไปทางอุปจารสมาธิที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆทางโลกชิวก็ดีหรือการอ่านความคิดของผู้อื่นก็ดีหรือการรับรสชาติกระดีอันนี้อย่าส่งจิตให้ไปหลังจากที่จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิแนละ้วถ้าปล่อยออกไป จิตก็จะไม่สมบุบไม่เป็นเบงขาเพราะจิตจะต้องไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์นั่นเองครับอาจารย์จากคุณรัญญานามวงศ์ครับกล่าวรรมศักการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลาวเรียนถามเรื่องจิตสุดท้ายตามหลักพระพุทธศาสนาสําคัญอย่างไรและจําเป็นต้องฝึกฝนตนอย่างไรเพื่อพัฒนาจิตสุดท้ายของเราคะกล่าวธรศักการครับอวาจริงจิตสุดท้ายนี้ไม่สําคัญอะไรเลย จิตสุดท้ายก็หมายถึงว่ามาลาสุดท้ายของร่างกายนี้เท่านั้นเองการที่เราจะทําอะไรนี้เราต้องทําก่อนที่จะไปถึงจิตสุดท้ายพอไปถึงจิตสุดท้ายแล้วเราทําอะไรไม่ได้เหมือนกับการที่เราจะเข้าห้องสอบนี้เราจะไปเตรียมตัวข้าห้องก่อนวันตอนที่เราจะเข้าห้องสอบนี้มันไม่ทันการเราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปเข้าห้องสอบเช่นทําการบ้านดูหนังสือ ไห้พร้อมแล้วพอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทำข้อสอบได้ฉะนั้นในจิตสุดท้ายก็เหมือนกับการเข้าห้องสอบของจิตนั่นเองเพราะจิตจะต้องอพบกับความตายของร่างกายพบกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายถ้าไม่ซักซ้อนทำไว้ก่อนพอถึงเวลานั้นก็จะทำไม่ได้จิตก็จะตื่นตระหนกตกใจหวาดกลัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจแทนที่จะ ท่านที่จะรักษาจิตให้สงบให้นื่งเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถทําได้แต่ถ้าซักซ้อมเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาก็จะสามารถรักษาจิตใจให้นื่งสงบไม่ให้วุ่นวายไปกับความความตายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดังนั้นจิตสุดท้ายไม่สําคัญอะไรสําคัญที่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เป็นเวลาที่เราต้องซักซ้อมเตรียมตัวพร้กับความ เจ็บความตายกันไหมทำให้จิตเราสง บ, บนิ่งไม่ไม่เกิดอาการวิตก ก, กังวลหวาดกลัวหรือวุ่นวายใจเวลาที่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายคุณสายสุนีครับบอกว่าโยมเก็บลูกแก้วที่พบรอบรอยพระพุทธบาทที่วัดบนเขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือหลังอธิษฐานขอพรให้หายป่วยขอให้เจอลูกแก้วกลับมาโดยไม่ได้ขออนุญาตจากพระที่วัดก่อนโยมอยากจะแก้ไขโดยนําไปคืนวัด แต่มีข้อจากัดอาจารยถามว่าจะทําอย่างไรครับก็ฝากคนอื่นไปก็ได้ถ้าเราไปไม่ได้จ้างคนอื่นไปก็ได้เวลาเอามาทําไมเอามาได้แต่เวลาเอาขึ้นไปทำไมเราเอาคืนไปไม่ได้ยั้นถ้ามีความพยายามที่จะทําเชื่อว่ามันทําได้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องลําบากยากเย็นทีจะเกินไป จ้างใครไปก็ได้จ้างลูกจ้างหลานจ้างคนที่รู้จักเอาไปให้เขาไปเที่ยวแล้วก็ช่วยเอาของนี่ไปคืนวัดให้หน่อยเท่านั้นก็จบหรือถ้าดีไปเองดีกว่าเราจะได้สบายใจเราจะได้มั่นใจว่าเราได้คืนของแล้วพอฝากคนเขาไปเราก็ไม่รู้ดีไม่ดีเขาที่เกียดเขาพยายมทิ้งข้างถนนนิดหน่หนก็ได้เมื <laughs> ่อเราสามารถเอามาได้ทำไมเราไม่สามารถเอากลับคืนไปได้ครับผม คุณชัยวัดกครับอาจารย์บอกว่าการมราคะลดลงกว่าเมื่อก่อนตอนยังไม่ได้ปฏิบัติครับมีบ้างที่ตามใจมันแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้ทันครับพระอริยะในลำดับขั้นต่างๆการมาราคะเริ่มหมดไปเพราะท่านมองไม่เห็นประโยชน์กับมันใช่ไหมครับจึงค่คอยๆสนใจลดลงไปคือท่านเห็นโทษนะเห็นว่ามันเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับท่านเวลาเกิดการมาราคะขึ้นมาเกิดความมันทาให้เกิดความทุกข์ใจนั่นเองท่านเลย ตัดสินใจต้องเริ่ม ก, การมาลาท่าให้ได้มีความตั้งใจพอมีความตั้งใจแล้วเดี๋ยวมันก็ทำอะไรได้สําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพอมีความตั้งใจก็จะมีความพยายามที่จะละพอมีความพยายามที่จะละก็พยายามเจริญปัสสะอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานก็สามารถละมาได้อ๋อจากคุณสายสุนีครับอาจารย์เมื่อกี้ที่ พิมต่อตรงนี้ครับบอกว่าด้านร่างกายที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ข้อต่างๆตามแขนขาเท้ามาร่วมปีกว่าแล้วทําให้ไม่สามารถเดินทางนําไปคืนได้ด้วยตนเองโยมสามารถส่งพัสดุไปสานิคืนวัดได้ไหมเจ้าค่ะนี่ครับถามออกมาก็คิดว่าถ้าอสามารถส่งไปให้ถึงวัดได้ก็ก็ทําได้ถ้าทางนี้ดีถ้าทางวัดให้ขอร้องให้ทางวัดช่วยตอบกลับมาด้วยได้ก็ยิ่งดีจะได้สบายใจ เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าได้ส่งคืนถึงที่หรือไม่จากคุณไอรินคิมคะพระ้าจารย์คะเดินจงกรมนานๆมันสงบมากสุดก็แค่ปวดหลังแต่ก็สัต์แต่ว่าเป็นเวทนาไม่อยากให้เวทนาหายไปไม่อยากให้เวทนาหายก็ถามลงไปว่าเวทนาคืออะไรเกิดที่ไหนแล้วตอนจี้ดูมันหายบางทีก็หายไปเลยแต่ไม่นานก็มาอีกต้องทำยังไงคะ ก็พิจารณาว่ามันเป็นใจลับมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเกิดเกิดดับๆมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้อยู่มันเหมือนกับเป็นดินฟ้าอากาศที่ไปไปมามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันนั่นเองถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะไม่ไปพยายามไปบงังคับไปเปลี่ยนมันปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไป ไดด้เเเรรรราาาาาากกกกก็จะมมม่ททุขข์ือออนนับงวคุณมอมพลมารีนฟ้าสายฟาประธานนะครับฐามพระกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะไปทําบุญสังฆทานเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยใช่ไหมคะคือการทําบุญนี้ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่นี่ความจริงอยู่ที่ความการเสียสละของเรามากกว่าถ้าเราเสียสละมากเราก็ได้บุญมาก ถ้าเราเสียสละน้อยเราก็ได้บุญน้อยเช่นเราทําบุญร้อยบาทจะทําทชนิดไหนมันก็ได้แค่ร้อยบาทเท่านั้นบุญได้ร้อยบาทถ้าเราทําบุญพันบาทเราก็จะได้บุญระดับพันบาทมันอยู่ที่การเสียสละของเรามากน้อยอยู่ที่การให้ของเราไม่ได้อยู่ที่ชนิดของบุญที่เราทําแต่ประโยชน์ของบุญแต่และชนิดที่เราทํานี่มันก็มีต่างกันเช่นถ้าเราถวาย เลือให้ของต่อพระรูปหนึ่งกับการถวายให้ของกับพระทั้งวัดอย่างนี้ประโยชน์มันย่อมมากกว่าประโยชน์จะเกิดจากการทําบุญให้กับพระทั้งวัด น, นี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะพระทั้งวัด น, นี้ทําประโยชน์ได้มากกว่าพระรูปเกียวดังนั้นคําว่าสังฆทานนี้ก็หมายถึงทําให้กับพระทั้งวัดเป็นของส่วนรวม เป็นส่วนกลางสงฆ์ถ้าทำให้กับพระรูปเดียวเนียถือว่าทำให้กับบุคคลคนเดียวบุคคลคนเดียวนี้ทําประโยชน์ได้น้อยกว่าบุคคลที่หลายบุคคลเขียนพระรูปนึ่งนี้ไม่สามารถบวชพระได้การจะบวชพระนี้ต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปอันนี้ท่านึงเรียกว่าการทำบุญกับสงฆ์คือสังฆทานนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญกับพระรูปหลายรูปหนึ่ง ประโยชน์ที่ทำพระที่รับของของเรานี้สามารถทำประโยชน์ได้มากน้อยต่างกันนั่นเองแต่บุญที่เราได้นี้เท่ากันเราทาบุญร้อยบาทกับพระรูปเดียวหรือทาบุญกับร้อยบาทกับพระทั้งวัดเราก็ได้บุญร้อยบาทเหมือนเดิมขอให้เข้าใจมีสองแบบประโยชน์มีสองอย่างประโยชน์ทางผู้ให้กับประโยชน์ทางผู้รับประโยชน์ทางผู้ให้นี้ให้ร้อยหนึ่งนี้ ก็ได้เท่าเดิมไม่ว่าจะให้ใครแต่ประโยชน์ทางผู้รับนี้ผู้รับสามารถทำประโยชน์ได้ต่างกันเราม่าคงจะเข้าใจครับผมคุณลินวิสิตบวรนัทครับขออนุญาตสอบถามค่ะหากมีลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ไม่รับผิดชอบแล้วถ้าเราพิจารณาให้เขาออกจากงานจะถือเป็นบาปติดตัวเราหรือไม่คะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทาอะไร เขาทำผิดเราก็ต้องลงโทษเขาแต่ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราก็อาจจะเตือนเขาก่อนก็นได้หรือเตือนเข้าให้เขามีโอกาสได้แก้ตัวแล้วแต่ถ้าเขาทําซ้ํซซาๆซากอีกเราก็ต้องบอกให้เขาออกเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นการทําบาปอะไรอย่างใดในการเลิกสัญญาว่าจ้างเท่นั้นเอง คุณใจแอนครับถามว่าทำอย่างไรจะมีสติในชีวิตประจำวันได้บ่อยๆคะวิธีง่ายๆก็มันเราเริ่ถึงพูดโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเช่นพอตื่นขึ้นมาปราหัดท่องพุโทโธไปภายในใจเลยพุโทโธพุโทโธควบคู่กับการทำกิจส่วนตัวอาบนา้ำ ล, ล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็พุโทโธพุโทโธไปอันนี้ก็จะทาให้เรามีสติ ว่าใจเราไม่ลอยไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนั่นเองอันนี้คือวิธีจเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่ทําได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดหรือเวลาที่เราต้องพูดคุยกับผู้อื่นตอนนั้นเราก็ไม่สามารถใช้คําบริกรรมพุโทโธได้เราก็ต้องใช้สติอยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่ กับความคิดที่เราคิดอยู่กับการสนทนาธรรมกับบุคคลการสนทนาการสนทนารรกับบุคคลที่เรากําลังสนทนารรอยู่อันนี้ก็เป็นการรักษาสติได้ในะอีกแบบหนึ่งแต่จะไม่ดีเท่ากับการบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อยุดความาวยยคิดคุณแตกต่างๆจากคุณพันนีสุวรรณสุภาครับอาจารย์กราบอาจารย์เจ้าขาฟังอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงจิตว่ากายกับจิตนั้นไม่ใช่อันเดียวกัน หมายถึงร่างกายจะแตกดับไปแล้วแต่จิตยังคงอยู่และจะเวียนตายเกิดพบแล้วพบเล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหลังจากร่างกายที้ตายไปแล้วจิตของเราก็จะไปหาร่างกายัใหม่เพื่อกลับมาเกิดใหม่เพราะจิตของเรายังมีการมาราค์ยังมีการความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่การจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องมีร่างกายนั่นเอง เพราะฉะนั้นหลังจากที่ร่างกายเก่านี้ตายไปจิตก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเสรรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาตใหม่อีกครอบนึงจากคุณนกน้อยครับบินถลาลอยลมบอกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายธรรมอริยรรสัจสี่ครับผมอริยรรสัจสี่ก็คือความเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นกัน เรองความทุกข์ใจใจของเราแทบจะไม่มีคาไม่มีทางขาดความทุกข์ใจเลยทุกวันที่เราจะต้องทุกข์กังวลห่วงใ ย, ยวิตกกังวลวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้นี่คือทุกข์ข้อที่1อริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจแล้วก็ความทุกข์ใจนี้ข้อที่สองของของอริยสัจสี่ก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจ ข้อเห็นของความทุกขใจก็คือความอยากต่างๆนั่นเองอยากให้ร่างกายแข็งแรงพอคิดถึงโรคโควิดที่จะอาจจะมากระทบก็เกิดความทุกข์ใจแล้เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะป้องกันไม่ให้โรคโควิดเข้ามาทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อที่ ข, ข้อที่สองของอริยศาสตร์คือความอยากอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่ตาย ซึ่งพเกิดความอยากเหล่านี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่ตางๆขึ้นมาข้อที่สามของอริยศาสตร์ก็คือการดับความทุกข์ใจการการการหายของความทุกข์ใจหายมทุกข์ใจนี้เกิดได้ก็ดับได้นี่คืออริยศาสตร์ข้อที่สามคือการดับของของทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ดับ เวลาทุกข์ดับก็เรียกว่าเป็นอริยสัจข้อที่สามการจะทำให้ทุกข์ดับนี่ทำได้อย่างไรก็ต้องอาศัยอริยสัจข้อที่สี่อริยสัจข้อที่สี่ก็คือการเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วหยุดความอยากได้ตามพราะยอมรับสภาพความเป็นจริงเช่นเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฝืนร่างกายฝืนความจริงนี้ไม่ได้ พยายามล้างความจริงนี้ก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจก็จะดับไปอันนี้คืออริยสัจสี่ข้อที่สี่คือทางสู่การดับหรือเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจนั่นเองดับด้วยมากคือศีลสมาธิปัญญาศีนสมาธิเพื่อให้เข้าถึงปัญญา พอมีปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทียมมีเกิดแล้วต้องมีจ้ะเช่นร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเ็าจะไม่เกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้นั่นนี่คืออริยสัจสีที่มีอยู่ในใจซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะมีแค่อริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สอง คืมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้แต่สําหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมและได้ปฏิบัติก็จะทําให้เกิดอ ร, ริยสัจข้อที่สามข้อที่สี่ตามมานี่คือสรุปง่ายๆให้ฟังครับจากคุณเอสยครับถามว่าการมรดการค่ะเวลามีความทุกข์ใจจะมีเวทนาทางกายปรากฏด้วยทุกครัง้งทุกครั้งหรือไม่คะ เพเคยมีความทุกข์ใจแล้วเห็นเวทนาทางกายปรากฏจึงกำหนดสติไปกับเวทนานั้นจนจิตสงบครับไออม่ช็อตเลยบางทีเรากังวลตรงนั้นกังวลเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไปทําให้ร่างกายเจ็บตรงไหนปวดตรงไห น, นอันนี้ก็เป็นความทุกข์ใจนะแต่บางครั้งถ้าความทุกข์ใจมันแรงมันก็อาจจะไปทําให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายก็ได้เช่นตะเคียนมากๆเพียบนา น, า น, าน มันก็ จ, จะทําให้ร่างกายสุดทรมได้ทําให้เกิดความดันสูงทําให้เกิดอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดจากการมีความทุกข์ใจ่อไปส่งผลให้ทําให้เกิดมีความทุกข์ทางร่างกายต่อไปได้แต่ถ้าเป็นความทุกข์แบบเดี๋ยวเดียวสั้นๆก็อาจไม่อาจจะไม่มีผลต่อทางร่างกายได้ คุณพัฒนิตครับอาจารย์บอกว่ากราดรักษาการคระอาจารย์ฝึกตัวรู้ระหว่างวันโดยการภาวนาแต่ไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิใช้ภาวนาก่อนนอนแทนได้ไหมคะคือการนั่งสมาธินี่จะทำให้จิตสงบถกานั่งได้นาน น, นั่งได้มากก็จิตจะสงบได้มากมีความสุขได้มากเท่านั้นเองนั่นก็อยู่ที่เราว่าเราจะมีเวลาให้กับการ น, นั่งสมาธิได้มากน้อยเพราะการฝึกสติ นี้ไม่ได้สามารถทําให้จิตสงบได้เต็มร้อยเพียงจะช่วยระงับความคิดภูมิแต่ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้เครียดกับเรื่องราวต่างๆแต่ยังไม่มีความสุขจากความสงบถ้าอยากจะมีความสุขจากความสงบนี้ต้องนั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง คุณโรจนนาไลเนเนอร์นะครับบอกว่าอยู่ทางไกลขออาัตนาศีลห้าด้วยตัวเองจะได้ไหมเจ้าคะได้การรักษาศีลห้านี้ไม่ต้องมีพระมาะบอกศีลให้กับเราเราเพียงแต่ตั้งสัจจะอธิษฐานก็ใช้ได้แล้วว่าวันนี้จะขอรักษาศีลห้าเท่านี้ก็สําเร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องรักษาตามที่เราตั้งสัจจะไว้เท่านั้นเอง จากคุณดาราครับถามว่าถ้าทําภาวนาใจสงบมากกว่าสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวได้ไหมคะได้เพราะว่าเป้าหมายของการสวดมนต์ก็เพื่อทําให้เราภาวนาได้นั่นเองบางคนนั่งภาวนายังไม่ได้เพราะจิตยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ระงับความคิดต่างๆให้น้อยลงก่อนเพื่อที่จะได้มาภาวนานั่งสมาธิต่อไปได้แต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาภาวนาได้เลยก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ คุณอสยครับบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิไปสักพักแล้วสังเกตเห็นว่าหลังจะค่อยๆงอลงแล้วต้องคอยกลับมายืดหลังตั้งตรงอย่างนี้ควรปล่อยร่างกายหรือกลับมานั่งหลังตรงใหม่คะควรปล่อยร่างกายอย่าไปสนใจควรจะสนใจอยู่กับการภาวนาคือการดูลองหายใจหรือการบริกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ทำอะไรกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมันจะงอบ้างเอ็นบ้างก็เป็นเรื่องของมัน ม่ไปถ้าเรามาห่วงร่างกายเราก็จะไม่สามารถทาให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายเวลาเราเริ่มภาวนานะคุณเอสเอชอลป์ดัตคอครับบอกว่าการเพ่งกระสินเป็นการฝึกสมาธิได้หรือไม่ครับได้ก็เป็นเหมือนกับการดูลมหายใจการเพ่งกระสินก็คือการเพ่งสีตา่าง เีนสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงเป็นต้นโดยการหลับตาแล้วนึกถึงสีเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นมาในใจก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งโดยการใช้สีให้ปรากฏขึ้นมาในจิตของเราแล้วเราพยายามรักษาสีนั้นให้มันปรากฏอยู่ในจอจิตของเราไป น, น, นานๆอันนี้ก็จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน จากคุณนิราชาคราอาจารย์บอกก็นำน้อมสักการเจ้าขาการฟังพระสวดมนต์ในตอนเช้าและก่อนนอนได้บุญไหมคะพระสวดยังไม่ได้แต่ชอบฟังครับถ้าทําให้ใจเราสงบหรือไม่ฟุ้งซ่านก็ได้ก็ได้บุญนะความสงบนี้ก็เป็นบุญอย่างนึงอาจารย์ครับคนคนนี้เชฟนานครับมากล่าวน้อมสักการจริงๆจะเรียนพระอาจารย์เพราคนนี้เป็นคนแนะนําให้ผมไปกราบพระอาจารย์ครับเมือ่อเจ็ดแปดปีที่แล้วครับผมขึ้นเป็นคนเข่า ยังมีการจักคุณเชฟนะพอผมตอนนั้นผมไปถึงวัดยานแต่ว่าผมอยู่แค่ข้างล่างครับอาจารย์ไม่รู้ว่าต้องเดนไปฟังทางบนเขาครับผมคุณคุณธัญธานครับบอกว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทเราจะเลือกฉีดวัคซีนโควิดแต่ก็มีข่าวผลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทิปก็เลือกที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม หากเราถึงคราวตายยังไงยังไงเราก็ตายแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะก็ถูกต้องนะเพราะว่าการฉีดหรือไม่ฉีดนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัจธรรมความจริงของชีวิตก็คือร่างกายก็ต้องแกเ่เจ็บตายเหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าจะเจ็บจะตายเร็วขึ้นหรือช้าลงไปทางนั้นเองแต่ชีวิตของเรานี่มันมีเหตุที่จะาให้มันเจ็บให้มันตายได้หลากหลายด้วยกันตายเพราะอุบัติเหตุต่างๆก็ได้ กพรา็โรคไปแล้เจ็บอย่างหนึ่ก็ได้อันนี้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาแล้กันว่าผลได้ผลเสียนี้มันมากน้อยต่างกันอย่างไรคุณเบนจัดดวงมาลาครับกราบรรมสการ์ครับหลวงพ่อสวดมนต์ทุกวันนานเข้าเป็นเดือนก็จำบทสวดมนต์ได้จเจริญสติทุกวันเราจะราบได้อย่างไรคะว่าจิตเราพัฒนาขึ้นครับ ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านน้อยลงมีความสงบมากขึ้นวุ่นวายใจน้อยลงใจเย็นลงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็ถือว่าจิตเราพัฒนาขึ้นเมื่อกี้มีคำถามกับอาจารย์ว่าเทา้าเทพสุวรรณมีจริงไหมครับก็เป็นเชื่อของเทพเทพชนิดหนึ่งที่เราทุกคนเนี่ยที่พวกเราตายไป น, นี้ถ้าทำบุญแล้วก็ไปเป็นเทพกันอาจจะเป็นเทพระดับเท้าเทพสุวรรณก็ได้ พระเทพนี้มีอยู่หกระดับด้วยกันสวรรค์มีอยู่หกระดับด้วยกันขึ้อนอยู่กับว่าทำบุญมากทำบุญน้อยนั่นเองทำมากก็จะขึ้นไปสูงทำน้อยก็ขึ้นไม่สูงนี่คือระดับของของจิตที่จะไปเป็นเทศชนิดต่างๆต่อไปคุณซีวิครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะโยมไปทำบุญวันพระใหญ่แล้วนั่งฟังพระเทศนั่งหลับตาฟังและมีสมาธิ รู้สึกตัวลอยขึ้นก็เลยตั้งสติพุทโธรีบลืมตาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้านั่งสมาธินานเกินสามสิบนาทีอยากถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะความกลัวเพราะความไม่เข้าใจว่ากลัวเราจะลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมไม่ต้องกังวลนะอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันหลอกเรามันจริงร่างกายของคนเรามันไม่ลอยขึ้นไปได้หรอกเราฉนั้นไม่ต้องไปกลัว นั่งไปนานๆให้จิตสงบนานๆถ้ามีสติแล้วไม่ต้องตองหลอ น, านไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีปัญห า, น า, นานจากคุณอินฟิน t y ี h ครับอาจารย์บอกกับพระอาจารย์ครับถ้าอยากให้งานที่ทำสำเร็จในเร็ววันควรทำอย่างไรครับก็ควรทำมากๆนะสิขยันทำงานยิ่งทำมากมันก็จะสำเร็จเร็วเหมือนกับตักน้ำใส่ตงุง เราตักวันละขันกับตักวันละยี่สิบขันนี้อย่างไหนจะสําเร็จเร็วกวกันก็อยู่ที่ความเพียรของเรานี้ถ้าเพียรมากงานก็จะสําเร็จเร็วความเพียรน้อยงานก็จะสําเร็จช้าอย่างที่เขาเป็นคำพูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณดัญญานาวงครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าเราตัวเราเป็นผู้มีสมาธิฏฐิแล้วคะกราบสาธุคะ่ะ นามาสิติก็มีหลายระดับด้วยกันระดับพื้นฐานก็คือความมีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเนะชื่อว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจจะไปต่อจะไปสวรรค์หรือก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำไว้ไปอบายก็ขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำไว้ลหลังจากนั้นเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ มาได้น่ากายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับพื้นฐานของของสมาทิฐิคือมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าสมาทิฏฐิสัมมาทิขั้นต่อมาก็คือ ความเชื่อว่าเราสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศิลภาวนาถ้าเราสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็าเรียกว่าเป็นความเชื่อในระดับสูงเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับสูง จากคุณพันนีสุวรรณสุภาคราัพระอาจารย์พระอาจารย์คะโยงเคยนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบนิ่งจนรู้สึกได้ว่ามีแต่จิตโดยไม่มีร่างกายคือว่างเปล่าเห็นจิตชัดเจนมากค่ะบางครั้งเวลาเดินจงกรมก็จะไม่มีขาตอนนั้นค่ะมันเป็นความรู้สึกอะไรคะก็เป็นความเป็นการถอนความรับรู้ของจิตจา ก, จากร่างกายเ น, น, นั้นเอเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะดึงตัววิญญาณที่ไปรับรู้ รู้เสียงกิ่นดน้นที่ตารูจมูกนิงวกายนี้กลับเข้ามาในจิตพอจิตเข้าพรึงมันเข้ามามันก็เลยไม่รับรู้เรื่องของร่างกายนั้นนีงนี่คือผลจากการฝึกสติของผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่มีอะไรเสียหายเพียงแต่ไม่รับรู้เทนั้นร่างกายก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จิตถอนออกมาจากถอนความรับรู้กลับเข้ามาสูใ่ในในใจอยู่ใน อยู่ในทานงของจิตคือความสงบนั่นเองคุณฟุกฟ๊กแพทที่อ๋ออันนี้พี่ชายผมเองครับอาจารย์ครับที่เคยไปการภาบผอาจาร์บนเขาครับ mm hmm. ขอกากราบเรียนถามพระอาจารย์ขอรับเมื่อเจออนิจจังในทางที่ไม่ปรารถนารู้สึกว่าจิตใจเฉยมากขึ้นไม่รู้สึกอะไรไม่กลัวไม่รู้สึกโกรธผูกก้กระทําเราไม่ทุกข์รู้สึกแก่ได้แก้ได้ก็แก้ไปไม่ได้ก็ปล่อยไป นีคือการปล่อยวางใช่ไหมครับอาจารย์ใช่การเห็นธรรมเห็นอนิจจังอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับอนัตตาก็เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมคบังคับไปห้ามมันไม่ได้สิ่งที่าไม่ต้องการทุกเราก็ต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงนั้นไปไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปตอบสู้ยอมหยุดเย็นยอมรับความเป็นจริงหยุดต่อต้านความจริง แล้วจิตก็จะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนคุณยุทธนานามประมาครับถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิเข้าฌานมานานแล้วยังหาความจริงสูงสุดไม่ได้มีวิธีเข้าสมาธิที่ดีๆบอกผมหน่อยครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วก็ไปปิดวิเวกนั่งพอถ้าการจะฝึกสติได้ดีต้องไปเปิดเปิดวิเวก อยู่คนเดียวอยู่ที่สงบอ่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมาคอยรบกวนสติสมาธิของเราแล้วเราก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้เลยเราก็จะได้เห็นจัจธรรมความเป็นจริงได้เห็นตัวจิตได้รู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันได้เห็นกิเลสตัณหาตัวที่มันสร้างความทุกข์ความม่นวายใจให้แก่ จ, จิตใจเราจะได้พยายามเสริมสร้างปัญญาคือการพิจารณาไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะทำให้เรามีดอกตาเห็นธรรมนั่หลุดพ้นจากความทุกทั้งหลายได้ต่อไปคุณทีคิดสนุพงษ์เคมิสรีอารุธนะครับกาวในมหกา ร, ร, ราหลวงพ่อครับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ในนรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสหรือไม่ครับขอประคุณล่วงหน้าครับมีสตัตว์ทุกชนิดเนี่ยพอใช้ผลพับผลบุญผลบุญหรืลผลบาปหมืแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันเนือแต่พวกเทวดา พอรับผลบุญหมดก็ต้องจับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปในโลกนี้พอบาปที่ทําไว้ได้ใช้หมดไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกันจากคุณบูสกายลีครับถามอาจารย์ว่าทําไมเวลานั่งสมาธิตัวชอบโยกลงไปเกือบจะโขกพื้นเป็นประจำเพราะอะไรครับเพราะสติเราหายไปนั่นเอง สติน้อยตอนนั่งใหม่ๆก็มีสติเต็มน้อยพอนั่งไปเรื่อยๆสติก็ลดลงไปลดลงไปหน้ากายก็เลยโยกไดีไม่ดีก็ศีรษะก็โคกอรพุ่นได้เนื้อรา nang ต้พยายามนั่งให้มีสติให้รู้สึกตัวตลอดเวลาให้รู้ว่าเรากำลังดูเราหายใจเข้าให้รู้ว่าเรากําลังเป็นการพูดโธพุทโธมป็นกับตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้เรามีสติเต็มร้อยเรารู้สึกตัวเต็มร้อย ร่างกายเราจะไม่อยกร่างกายเราจะไม่เอน็นแต่ถ้าเรานั่งแล้วมันมักจะเคลิ้มเเคริ้มสติก็หายไปหายไปเท่าเล็กเท่าน้อยเราทําให้ร่างกายเอ็นไปเองมาเนือเอ็นไปข้างหน้าโยกลงไปก็ได้นี่ต้องหมัฝึกสติวิธีแก้ปัญหาของการขาดสติเวลานั่งเล่น้็นสําหรับพระปฏิบัตินี่ฉันมักนิยมไปหนั่งที่ในสถานที่ที่วัดที่น่ากลือ เช่นไปนั่งในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ที่หน้าหน้าผาอย่างนี้ถ้าไม่มีสติถ้าตัวโยกเมื่อไหร่ก็ตกลงไปตกลงไปในผาทันทีถ้าไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วสติมันจะไม่หายเพราะมันจะมีความระมัดระวังนั่นเองงั้นบางทีต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนสถานที่ถ้าอยู่ในสถานที่ปลอดภยัยมันก็จะไม่มีทําอะไรไม่มีอะไรมากระตุ้นให้มีสตินั่นเอง คุณสายสุนีครัติดกาแฟต้องดื่มทุกวันถ้าวันไหนไม่ดื่มจะปวดหัวถือว่าผิดศีลข้อห้าไหมคะออกาแฟนี้ไม่ห้ามเพราะไม่ได้ทําให้เกิดอาการเมินเมาแต่ก็ไม่ดีถ้าติดกาแฟถ้าติดอะไรทั้งหลายก็ไม่ดีเทั้นั้นเพราะติดแล้วมันจะเป็นทุกเวลาที่ไม่ได้ดื่มไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราติดมันจะทําให้เราทุกข์งั้นถ้าเราเลิกได้เลิกดีกว่าอย่าไปเสพติดกับสิ่งอะไรทั้งหลายเลย คุณอินฟินิตี้ซอครับเคยมีคนบอกว่าตักข้าวให้พ่อแม่กินได้บุญจริงไหมครับอาจารย์ก็ในการนี้ถ้าพ่อแม่กินข้าวเองไม่ได้เราต้องก้อนข้าวให้กับท่านก็ได้บุญแต่ถ้าท่านกินของท่านเองได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับท่านดีกว่าหรือท่านจะ ล, ลําคาเราอันนี้พูดถึงเวลาที่เราคนนิบัตอรับใช้ท่านเวลาที่ท่านทำอะไรเองไม่ได้เราก็ช่วยทําให้ท่านเงนี้ยก็ได้บุญเพราะเป็นการ รับใช้ผู้เป็นหนึ่งในบุญสิทธิประกรนันเวลาพ่อแม่อยากจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ขับรถพาท่านไปอันนี้ก็ได้บุญท่านอาบน้ําไม่ได้อาบน้ําเองไม่ได้เราก็ช่วยอาบน้ําให้กับท่านอย่างนี้ก็ได้บุญแต่ถ้าท่านยังทําอะไรได้อยู่ท่านอาจจะไม่ต้องการให้เราทําให้กับท่านก็ได้ถ้าเราไปทําแบบเป็นพิธีเพื่อให้เราได้บุญนี้ไม่ถูกเราต้องทําเพราะมีเหตุบังคับให้เราทำ คุณอัมพรครับบอกหลวงพ่อทําสมาธิได้นิดเดียวจิตก็ปรุงแต่งย้ําคิดควรทําสมาธิต่อหรือเลิกคะก็ควรทํางท่องพุทธโธไปอย่าเพิ่งเลิกหรือสวดมนต์ไปแล้วกลับมาหน้าแล้วก็กลับมาดูลมต่อเวลามันเริ่มปรุงแต่งมากๆก็สวดมนต์แข่งกันไปสวดดิสติปิโสไปหลายๆจบแล้วถ้ารู้สึกว่ามันหยุดคิดปรุง แ, แตง่งแล้วเราก็กลับมานน้าเราก็ทําสมาธิต่อได้ คุณอาทิตย์ครับบอกว่าทาไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามพระสงฆ์แสดงอิทธิปาฏิหารครับทั้งที่ถ้าเป็นของจริงที่สุดได้ก็จะช่วยสร้างศรัทธาให้คราวาสปุตตชนหันมาเชื่อผลในการปฏิบัติว่ามีผลจริงแทนที่จะไปโดนเจ้าลทัทธิหมอดูหลอกเพราะว่าอิทธิปาฏิหารไม่ใช่เป็นเป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้านเองเพราะฉะนั้นถ้าไปแสดงอิทธิปาฏิหารเดี๋ยวก็ไปติดอิทธิปาฏิหารแทนที่จะไปติดการหลุดพ้นจากความทุกข์ไปติดมั่งคั่นนิพพาน ลูกทศเจ้าจึงห้ามให้แสดงโคกนี้ให้แสดงมรรคผลนิพพานแทนให้แสดงว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่ดีอย่างไรวิเศษอย่างไรเพราะว่าอ้ที่ปฏิหารนี้ไม่ใช่ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองถ้าไปแสดงอ้ที่ปฏิหารก็เหมือนกับไปโฆษณาชวนเชื่อให้คนชอบไอ้ที่ปฏิหารแล้วก็ทําให้ติดไอ้ที่ปฏิหารแล้วก็ ไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกงแข่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองคุณมาเมง f อครับอาจารย์บอกว่าถ้าสมาธิสำคัญจริงๆทำไมพรธเจ้าถึงไม่ให้สมาธิเป็นอเรยทรัพ์ครับก็สมาธินี่ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับมรแปดนี่มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิถ้าสมาธิเราไม่สามารถที่จะเจริญปัญญา ให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้คุณแอนจารุนีครับบอกว่าปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแต่กลับรู้สึกเบื่อนหน่ายที่จะปฏิบัติต่อจะสร้างกำลังใจอย่างไรต่อเจ้าคะก็พยายามศึกษาให้มากขึ้นฟังเทศฟังธรรมเข้าหาผู้รู้จริงๆเข้าหาพาระสุ ป, ปฏิปันโนได้หรือผู้ปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบที่ไม่เป็นพระก็ได้ ที่สามารถพูดนองนาวจิตใจของเราให้เกิดความอยากที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปก็ได้คุณดิวีครับกราบธรรมส ก, การหลวงพ่อขอโอกาสเรียนถามเมื่อก่อนไม่เคยภาวนาก็ไม่เห็นความทุกข์พอมาภาวนาเนื่องจากเจอความทุกข์กลับมองเห็นความทุกข์บ่อยมากขึ้นเป็นจากอะไรคะก็เป็นจากการที่เราสนใจดูดูมันนั่นเองดูจิตใจเรามากขึ้น ความทุกข์มันเกิดในใจของเราเมื่อก่อนนี้เราโมแต่ไปนสนใจนละ้วเราไม่มาดูจิตใจของเราเราก็เลยไม่เห็นความทุกข์ในใจของเราแต่พอเรามาภาวนาะเราก็ดึงจิตใจให้กลับเข้ามาดึงจิตให้กลับมาดูจิตของตนเอง mm. ก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจน mm. การเห็นทุกข์นี่ดีเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องคาจัดมันแล้วเราก็จะไปค้นหาสาเหตุสาเหตุก็คือความอยากต่างๆ พอเรารู้ว่าเราอยากสิ่งนึงสิ่งนี้แล้วทาให้เราทุกข์เราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าก็อย่าไปอยากมันสิเมื่อสิ่งที่เราอยากมันทําให้เราทุกข์เราก็อย่าไปอยากมันว่าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหมดไปคุณโอโอโอววววครับบอกว่าสัตว์ที่ได้มาอยู่ร่วมในบ้านกับมนุษย์ชาติน่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไหมคะไม่แน่นอนหรอแม้แต่มนุษย์ด้วยกันอยู่ด้วยกันชาตินี้ ชาตนาก็ไม่รู้จะเจอกันอีกรลอไม่เพราะจังหวะโอกาสที่จะกลับมาเกิดแต่คนนี้มันไม่เท่ากันเพราะตายไปแล้วอาจจะต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปต่างๆก่อนแล้วก็ต้องมารอคิวเพื่อได้น่างกายเพราะว่าผู้ที่ผลิตน่างกายกับผู้ที่รอรับน่างกายนี้มันมีจํานวนไม่เท่ากันนนเอเหมือนกับมหาลัยรับรับผู้เข้าไปศึกษาได้ไม่เท่ากับผู้ที่สมัครผู้ที่สมัครแล้วไม่ได้ คุณลินวิสิตบรณะนะครับบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะวิญญาณขันสติจิตรู้ต่างกันยังไงคะวิญญาณขันก็คือทำเนื้อส่วนประกอบของจิตที่ทำหน้าที่ไปรับรู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรสจากทาาตาหูจมูกเล่นกายนั่นเอง เป็นวิญญาณที่เกาะที่ตาเราก็เรียกว่าจักขูวิญญาณเกาะที่หูเราก็เรียกว่าโสตาจักรูก็ตาโสตก็หูวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูนี่คือเรื่องวิญญาณในขันเวลาตาเราเห็นรูปปั๊บมันก็จะส่งมาที่วิญญาณขันคือโสตวิญญาณวิญญาณก็จะส่งมาให้จิตรับรู้ว่า เห็นภาพพนั้นเห็นภาพคนนั้เห็นภาพันนี้จิตก็คือผู้รู้นี่จิตก็ผู้รู้รู้ว่าวิญญาณสบข้อมูลต่างๆมาให้สติก็คือการควบคุมจิตไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันตัวที่ควบคุมจิตไม่ให้คิดปุงแต่ให้ตั้งอยู่ในความสงบนี้เรียกว่าสติหวังว่าคงจะเข้าใจ คุณขวัญมโนครับบอกว่ากลาวรมตการครับอาจารย์กับผมนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากครับมีพุทธวิธีใดช่วยให้หลับง่ายขึ้นบ้างครับขอบพระคุณครับง่ายมากก็ดูลมหายใจไปเวลาเลาบอย่าคิดเหตุที่เรานอนไม่หลับเพราะเราคอยคิดอยู่เรื่อยเรื่อยเป็นพยายามบังคับให้ดูลมไปอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าบังคับดูลมไม่ได้ก็บังคับให้บริกับพุโทโธพุโทโธ คุณโทไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็จะหลับไปจากคุณโอโออวายวาครับเลี้ยงแมวแล้วป่วยเสียชีวิตต่อหน้าเราขณะแมวกําลังจะไปก็เปิดคลิปสวดมนต์ที่บอกทางไปสู่ภพชาติที่ดีแมวจะไปสู่ภพภูมิที่ดีตามที่เราบอกไหมคะไม่หรอจะไปดีไม่ดีอยู่ที่บุญที่เราทําบุญหรือบาป ท, ที่เราทําถ้าเราทําบาปมากกว่าบุญมันก็จะไปในทิศทางที่ไม่ดี ถาเราทาบุญมากกระบากมันก็จะไปในทิศทางที่ดีนั่นอยู่ที่การทําบุญและทาบาปที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปสู่สุ ก, กติหรือทุกเกติคุณปุญญนุตมีสานุนะครับถามพระอาจารย์ว่าเคยป่วยหนักจนจิตหลุดตอนกลางคืนล่องลอยไปเหงาเหงาผู้คนก็ไม่เห็นเราเลยแบบนี้เขาเรียกว่าจิตเร่ร่อนไหมคะก็เป็นจิตที่ไม่มีสติเคลิ้มฝันไป คุณบูมซองครับประ ก, กศาศนักพิธีการค่ะเทวดาสามารถบรรลุธรรมในภพเทวดาได้ไหมคะถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือพระหลานไปสอนหรือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองาะสามารถปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีผู้มาสอนต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ต้องอาศัยพระอริยะเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระ พลานารันที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้มาสอนให้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันเช่นเช่นแม่ของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็ไปสแสดงธรรมโปรดหน้าอยู่หนึ่งพันษาจนแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อบรรลุถึงทางขั้นที่สูงสุดได้ต่อไป อาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเทวดาที่ไม่เป็นพระสอดาบัณ น, นี้ถ้าไม่มีคนสอนนี่ยากที่จะไปเลยใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนคนเนี่ยคนไม่มีคนสอนก็ไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว<อ>่าจะไปเป็นโสดาบันไดอย่างไรอ๋อเหมือนกันเลยคุณอีฟินตี้ซีเอชอีกครั้งนะครับที่ที่เขาบอกว่าตักข้าวนี่คือการตักข้าวจากหม้อข้าวใส่จานแล้วไปให้พ่อแม่กินครับอาจารย์บอกนออี้จะได้บุญไหมครับได้บุญนิดเดียวพ่อแม่ ก, ก็ตักเองได้หมายถึงตรงนี้พ่อให้มาก เป็นปีๆเป็นเดือนๆ เ, เนี่ยทุกครั้ที่พ่อแม่จะกิจข้าวก็ต้องตักข้าวแล้วก็ป้อนให้พ่อแม่อะไรอย่างนี้ทํำลองนี้เถอะถึงจะได้บุญไม่ใช่ตักข้าวแค่ทักพีหนึ่งใส่จานแล้วก็ให้พ้อมันก็ได้บุญแค่ทักพีหนึ่งเท่านั้นได้น้อยถ้าได้ก็ได้น้อยคุณจอมชัยคงมณิการครับบอกว่าการดับโกรดเบื้องต้นครับใช้วิธีใดดีที่สุดครับพระอาจารย์หากเจ็บปัจจยังส่งผลตลอด ก็บริกรรมพุโทโธไปพอรู้ว่าเร า, กเรากโกรธปับกระท่าพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วพอเราลืมมันความโกรธก็จะดับไปอันนี้แก้แบบชัว่วคราวแก้แบบ อ, อไม่ถาวรพอเราหยุดพุดโทโธพอเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็กลับมาได้ใหม่วิธีที่จะทําให้ความโกรธนี้หายไปอย่างถาวรก็คือเราต้องละต้นเหตุของความโกรธ ความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่องอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้เราก็โกรธถ้าเราเปลี่ยนใจได้ไม่เอาก็ได้วอยากได้รถแล้วไม่ได้รถขอเขาแล้วเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาก็ได้พอเราไม่อยากได้รถปั๊บความโกรธที่เกิดจากการไม่ได้รถหนยก็จะหายไปยังต้องละที่ความโกรธละที่ความอยากที่ทํำให้โ ก, โกรธ พอเรารับคําอยากที่ทําให้เราโกรธได้เราก็จะไม่โกรธอีกต่อไปคุณระเลนครับบอกว่าถ้าเราได้พูดไปแล้วว่าวันนี้จะไปทําบุญแต่ไม่ได้ไปจะเป็นบาปไหมคะ อ, อไม่เป็นบาปนะแต่ ก, ก็ก็ไม่ได้บุญนั่นนั้นเองถ้าตั้งใจแล้วไม่ทําตามที่เราตั้งใจมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้ผลจากการที่เราตั้งใจมีที่คนถาม อ่าบอกว่าอยากอยู่กรุงเทพอยากร่วมทำบุญจะโอนอย่างไรครับอาจารย์ <laughs> จะโอนทานทคุณหมาวแล้วกันคุณหมอไู้จ <laughs> ัดบัญชีแล้โอนได้ก็ได้ย <laughs> ินดีครับ <laughs> คุณโยโย่ครับบอกว่าการพิธีการขออนุญ า, าสตส่งถามดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านถือว่าเป็นการสร้างกรรมผูกพันต่อกันหรือไม่ครับไม่เราก็เป็นความเมตตาเวล่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องเลี้ยงดูกันอั่นเองผูกพันไม่ผูกพันอยู่ที่จิตเรา อยู่ที่ว่าเราจะผูกก็ไม่ผูกและวิธีจะทําให้เราไม่ผูกก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เรวจะต้องมีการทัดท่าจากกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเราก็อาจจะหลงไม่มีความผูกพันกับเขาก็ได้ดังั้นมันพยายามพิจารณาอันนี้ทางความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการทัดรากจากกันอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราไม่มีความผูกพันกับอะไรทั้งสิน้น คุณเจมส์เฟอร์เทคนะครับบอกว่าทําไมปัจจุบันจึงมีจํานวนคนเกิดเพิ่มมากขึ้นทุกนาทีมากกว่าในอดีตพันปีที่แล้วมีจํานวนสัตว์มากกว่าในอดีตจนจะล้นโลกอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปติดอยู่ในสวรรค์ในโนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์อื่นกันบ้างหรอครับอ๋อดวงวิญ ญ, ญาณที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีอยู่ยเย่อะแยะมนุษย์ที่จะผลิตร่างกายให้ดวงวิญ ญ, ญาณนี่มันมีน้อยแต่สบายนี้เรามีคน มีมนุษย์เพิ่มมากขึ้นก็สามารถผลิตร่างกายของมนุษย์ให้มีมากขึ้นเท่านั้นเองในอดีตนั้นมีคนน้อยผลิตได้น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของร่างกายถ้ามีร่างกายมากก็สามารถผลิตร่างกายใหม่ได้มากขึ้นถ้ามีร่างกายน้อยก็ผลิตได้ร่างกายใหม่ได้น้อยเท่านั้นเองอาจารย์คราวนี้เรียนถามเองไหมครับคืออย่างผมเคยคิดว่าอย่างเรื่อง โลกนะครับที่เราประเกิด่มันไม่ได้มีแต่โลกเราใช่ไหมครับอาจารย์เราอาจจะมีดาวอื่นในจักรวาลก็ไปเกิดได้เกิดได้เยอะแยะมลเพราะเป็นไปได้เยวที่จะมีแต่โลกเราโลกเดียวที่มีมนุษย์อ่ได้เกิดได้เยอะเพราะว่าอย่างนักวิษาสเขาพิสูจน์มาว่าโลกมีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ฟังนล้วก็โลกนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงเดี๋ยวโลกนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงดวงวิญญาณก็ต้องไปหาร่างกายที่อยู่ในโลกใหม่โลกอื่อ ดวงวิญญาณนี้เก่งอยู่อย่างคือไม่ต้องเดินทางเหมือนกับร่างกาย ค, คือเดินเล็กถึงปั๊บก็ถึงเลยครับผมอย่างเรื่องในชาโดกต่างๆที่พระเจ้าเกิดล่วงหน้านั้นก็อาจจะไม่ใช่เกิดเรื่องในโลกนี้ก็เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์นแน่นอนอาจจะอยู่อีกรอบนึ่งก็ได้เพราะอาจจะเป็นต้องหลายหมื่นหลายแสนล้านปีมาก่อนก็ได้ครับผมคุณธนพัฒน์ครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิสักพักปวดขาเราควรทําอย่างใดดีครับ ก็นั่งต่อไปอย่าไปสนใจไปมันปวดไปอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปคิดถึงมันถ้าถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้การท่องพุโทโธพุทโธไปในการสวดมนต์ไปเพื่อดึงจิตไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บปวดแล้วจิตก็จะไม่วุ่นวายไม่เครียดกับความเจ็บปวดของขาแล้วสามารถนั่งต่อไปได้ จากคุณพเมิพรมครับอาจารย์ครับผมสงสัยครับว่าโลกหลังนิพานจะลักษณะเป็นเช่นไรเคยได้ฟังอาจารย์บางท่านกล่าวว่าจะเป็นดวงแก้วจริงไหมครับคือคำว่านิพานนี่มันเป็นเรื่องของจิตไม่ได้ทำ เ, เป็นโลกนะจิตของเราที่แต่ละดวงนี่มันอยู่ในโลกที่ทั้งหมดแล้วก็จิตที่ยังไม่ถึงนิพานก็ยังต้องส่งดวงวิญญาณมาเกาะร่างกาย มใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขส่วนจิตที่สามารถตัดกิเลสความอยากต่ตางๆได้ก็จะไม่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายเท่านั้นเองต่างกันแค่ตรง น, นั้นจิตก็สงบน่งเย็นสบายจิตผ่องใสสะอาดไม่เหมือนกับจิตที่มีกิเลสทนันหามักจะทำให้จิตเศร้าหมองมัวหมองนั่นเองต่างกันแค่ตรง น, นั้น จากคุณลุงอินพาไปเบิ่งครับกลาวธรรมสการการ์ราาพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามการสมาทานศีลห้าเราจําเป็นไหมที่จะสมาทานกับพระสงฆ์เราจะสมาทานกับพระประธานที่บ้านได้ไหมครับได้ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระประธานก็สามารถรักษาศีลได้ขอให้เรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรทั้งนั้นเองแล้วก็ใช้ความตั้งใจก็ได้เยว่าการการจะรักษาศีลนี้ก็ว่ามีอยู่สามวิธี วิธีแรกก็คือสมาทานศีลถ้าเราไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรเราก็ไปขอจากพระให้ท่านบอกศีลห้าให้กับเราถ้าเรารู้แล้วเาอยากจะรักษาศีลแล้วก็ใช้ความตั้งใจอันนี้เราเรียกว่าวิรัติวิรัติศีลวิรัติเหมือนกับบางสาวิรัตินี่เราก็ตั้งใจไม่รับประทานเนื้อสัตว์ศีลวิรัติก็คือเราตั้งใจจะรักษาศีลก็เป็นศีลวิรัติแล้วศีลชนิดที่สามก็คือศีลของพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระสาวดอาบตลขึ้นไปท่านจะท่านจะรักษาศีลดยอัตโนมัติท่านจะไม่ทำบาปอีกต่อไปเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นผลของบาปที่จะตามมาทำให้ท่านไม่กล้าทำบาปมันเองรกราบนัสการจากคุณแอลสตอรี่ครับกราบนัสการพระอาจารย์คนที่เสียชีวิตแล้วไปเกิดเลยหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าบุญกบาปเขาทามากน้อยอย่างไรก่อนที่จะไปเกิดนี้ อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่ได้ทาไว้แล้วพอผลบุญผลบาสนี้มันเท่ากันคอาบุญกับบาสที่ลงเหลืออยู่ในใจมันเท่ากันถึงจะเป็นเวลาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีร่างกายให้เกิดหรือไม่พอมนุษย์นี้ก็ต้องมีการผสมพันธ์กันก่อนถ้าไม่มีการผสมพันกันก็ไปเกิดไม่ได้ก็ต้องรอชิวไปก่อนนั่นเอง คุณนันพครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นโสดาบันครับอาจารย์ก็รู้ว่าเราไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บจะเป็นจะตาก็เฉยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ตื่นเต้นตกใจววาดภาวะไปกับความเป็นความตายความแก่ความเจ็บคุณชานัณครับบอกว่านิพานเป็นสภาวะเดิมของสัตว์ตาหนังหรือเปล่าครับไม่ คือนิาพานนี่เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้รับได้รับการชำระ ก, กบจัด ก, กิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนั่นเองคุณอิมเนมนะครับถามว่ามีเมียหลายคนถือว่าผิดศีลทมผิดศรรีลห้าไหมครับอาจารย์ถ้าตามสังคมชาวพุทธก็ผิดแต่สังคมของาศาสนาอื่นนี่เขาอนุ ญ, ญาตก็ไม่ผิด เพราะคำว่าสินข้สามนี้ขึ้นอยู่ที่ประเพณีไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาให้มีสามีภรรยาคู่เดียวถ้าเราไปมีหลายคนก็ผิดประเพณีแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เขาอนุญาตให้มีสามีหรือภรรยาได้หลายคนแล้วเรามีก็ไม่ถือว่าผิดสินข้อสามอยู่ที่ว่าประเพณีของแต่ละสังคมก็มีอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องการมีแพทสัมพันธ์เนี่ยคุณคุณชาร์คชาครับชานมบอกว่าตอนนี้จิตใจไม่สงบจะต้องทํำยังไงครับอาจารย์ครับก็มันจะนัสติอยู่เรื่อยๆฝึกสติอัดท่องพุทโทธพุทโทธไปคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอยา่าปล่อยให้คิดให้คิดอยู่กับคํำบาลีคำพุทโทธพุทโทธพุทโทธไปเรื่อยๆแล้วจิตของเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความสงบได้ คุณดาราถามครับถ้ามีคนมาชอบเราและเราเป็นกัลยาณมิตรให้เขาบวชพระถือว่าเป็นคู่บุญไหมคะเขาชอบเราแล้วเราไปบวชให้ให้เขาบวชพระครับพระอาจารย์ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคู่บุญหรือไม่คู่ <c oughs> ก็ถือว่าถือว่าเราเราได้ช่วยสนับสนุนให้เขาเป็นเป็นพระก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ดีกันแล้วครับส่วนจะเป็นคู่บุญหรือไม่นี่มันไม่ใช่ คู่บุญนี่หมาถึงชอบร่วมทําบุญร่วมกันอยู่เรื่อยๆจะไปไหนเวลาไปทําบุญก็ชวยกันไปไปด้วยกันอยู่เรื่ อ, ๆอยๆเรียกว่าคู่บุญย์ตัดนครับมีคุณชาญานบอกว่าถ้าต้องโกหกเพื่อช่วยชีวิตคนโดยไม่มีผลเสียอะไรอย่างนี้โซดาบันทําไหมครับอันนี้เราก็เป็นกันโดยปกติแล้ว พนีท่านจะไม่ไม่กงั้นถ้าเป็นเรื่องที่มันอันนี้เราก็ตอบไม่ได้ขอผ่านดีกว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจอออันนี้อันนี้ครับครับคุณละเลนครับกลาถามพระอาจารย์ว่าดวงวิญ ญ, ญาณมีจริงไหมคะและเราสามารถรับรู้ไหมคะว่ามีวิญ ญ, ญาณอยู่ใกล้ๆเรา ดวงวิญญาณก็คือเรานี่แหละผู้รู้ผูเค่นี้ก็คือที่เราเรียกว่าจิตใจนี้ตอนนี้มีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอร่างกายตายไปก็อยู่คนเดียวเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็บางทีเราก็รับรู้ได้ถ้าเรามีจิตที่ที่สงบถ้าจิตเราไม่สงบนี้เราบางจะไม่รับรู้เกี่ยวกับดวงดวงวิญญาณได้ต้องมีจิตระดับอุปะละอุปจารสมาธินะ่นแหะ จะสามารถรับรู้เรื่องดวงวิญญาณต่างๆได้ถ้าถ้าเราไปรับรู้โดยที่เราไม่มีอุปจาระสมาธิก็หมายถึงเป็นเรื่องอุปท า, านมากกว่าเป็นเรื่องมนโนเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งของเราคิดไปเองพอได้กินทูปหน่อยก็มีดวงวิญญาณนัแล้วพอเห็นใบไม้แปลกนิดหน่อยก็เรียกว่ามีดวงวิญญาณมาแล้ ว, อ, อ, อ, ว, ว, ญญลวอันนี้เป็นความเป็นอุปท า, านของความคิดปรุงแต่งถ้าเป็นถ้ารู้จริงเห็นจริงนี่ต้องเหมือนกับเรานั่งคุยกับเขาได้เลย คุณธนพัฒนค่ะพอาจารย์ขอกราบเรียนถามความแตกต่างศีลข้อสามของสีห้ากับสีอุโบสถครับคือสีข้อสามนี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ของสีห้านะแต่ถ้าเป็นของอุโบสถสีหรือสีแต่นี้ห้ามร่วมหลับนอนกันไม่ไม่ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยถือเป็นพรหมจรรย์ คุณนาหน่อยครับข อ, อกราบพราาอะอาจารย์ผู้หญิงไม่ได้บวชสามารถบวชจิตอยู่ที่บ้านได้ไหมคะได้ผู้ชายก็ทําได้ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายบางคนเขายังไม่พร้อมที่จะบวชเขาก็สามารถบวชจิตอยู่ที่บ้านปฏิบัติทําได้รักษาศีลนัสส่งสมาธินั่งกัจจเริยปัญญาขอเพื่อกําจัดความโลคความโกรธความรงต่างๆก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ คุณบรลลังสอนบอกว่ากรรมคือการกระทํากรรมคือเครื่องชี้เจตนานําคนมาตามและทําเปิ่นทุกวิธีทางถือว่าเขาเหล่านั้นมีบุญบา ร, รมีหรือเปล่าครับไม่ทำให้เขาไม่ไงอา่าไม่เ ข, าข้าใจคำว่ากรรมนี่คือการกระทําเป็นคำกลากลางไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปแต่เราภาษาไทยมักจะใช้คําว่ากรรมนี้แทนคําว่าบาปกันเช่นบุญกรรมซึ่งเป็นความที่เราหมายถึงบุญและบาป ส่วนกรรมจริงๆนี่เป็นคำกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแปลว่าการกระทําการกระทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมการกระทําทางใจคือความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมแล้วถ้าทําไปในทางที่ดีก็เรียกว่าบุญทำไปในทางที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปทําแล้วก็มีวิบากคือผลตามมาต่อไป คุณอาชุกรครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอและกราบนับกวิชการพระอาจารย์เราจะรักษาศีลห้าก่อนนอนและนอนเลยเราจะได้บุญหรือเปล่าคะแล้วเราต้องกล่าบอย่างไรคะขอบคุณคะ่ะไม่ได้หลักศีลห้ามีไว้รักษาเวลาตอนที่เราตื่นตอนที่เราหลับมันไม่จะไปทําอะไรไปรักษามันทำไมข้อห้ามการกระทําต่างๆต้องรักษาตอนที่เราตื่นเช่นก็เราจะไปเด่นสุรานี่เราถ้าเรารักษาศี 5, ลห้าเราก็เด่นไม่ได้ ถ้าเราจะพูดโกหกล้วก็ทามไม่ได้ไม่ใช่มารักษาตอนที่เรานอนตอนนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการรักษาเพราะไม่มีการกระทำอะไรคุณนวนานันท์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราฝันว่าได้คุยกับคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตไปประมาณสามเดือนอย่างนี้คืออะไรคะคือเราคิดถึงท่านนี่สิเวลานอนหลับเราก็ฝันไปนั่นเองความคิดเราเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตความฝันขึ้นมา คุณธีรวัตรครับบอกว่ากราบนวัตการพระอาจารย์ครับผมเป็นผู้บริจาคเลือดเป็นประจำเวลาบริจาค ก, ก็อุทิศบุญให้พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่และญาติผู้เสียชีวิตเจ้ากรรมนายเวรไม่ทราบว่าเขาเ่านั้นจะได้บุญนี้ไหมครับผู้ทีลุงครับไปแล้วนะ่ะมีโอกาสได้ได้รับบุญแต่เป็นบุญที่น้อยมากท่านเปรียบเทียบเหมือนกับบุญเหมือนกับน้ําที่ติดค้างอยู่ในแก้วหลังจากที่เราเทน้ําออกไปจากแก้วแล้ว เป็นบุญที่น้อยมากเราจึงมักจะไม่อุทิศให้กับคนเป็นเพราะคนเป็นนี่สามารถทำบุญเขาเองได้มากกว่าคุณกิตนาครับบอกว่ากระผมสวดมนต์ไหว้พระดีไหมครับดีพยายามสวดมากๆสวดแล้วควรจะนั่งสมาธิต่อให้จิตสงบน่าจะมีความสุขคุณวีแชน n e ลสิทิ์คารัยครับบอกว่าคนมีศีล ถูกว่ากล่าวจากคนทุศีลแบบนี้คนทุศีลจะบาปมากไหมคะกาบเก่าพระคุณกับพระอาจารย์เท่ากันเนะ่ะถ้าคนทําบาปไม่ว่าจะไปทําบาปกับใครมันก็เป็นบาปเท่ากันยกเว้นในในบางเรื่องบางอย่างเช่นการฆ่าคนเนี่ยฆ่าคนที่เราไม่คนที่คนที่ไม่มีคนที่มีโทษอยู่แล้วเช่นเป็นนักโทษเนี่ยผู้ที่ป่ะหาชีวิตนักโทษนี้ก็บาป แต่บาปน้อยกว่าถ้าก็าไปฆ่าคนที่ไม่ได้เป็นนักโทษหรือถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ยิ่งบาปหนักยิ่งกว่าเนี่นมันการทําบาปนี้ก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเราทํากับใครทํากับบุคคลที่มีคุณมีประโยชน์ก็จะเป็นบาปหนักกว่าทํากับคนที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์นั่นเองมีคุณทวินมีสุขครับบอกว่าอยากบวชครับแต่ถามพระที่ไหนๆท่านก็ว่าต้องมีเงินเป็นหมื่น จริงๆต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับผมไม่มีญาติเลยเ อ, อ๋ไม่จริงเราถ้ า, าต้องการจะบวชจริงๆนี่ไปไปหาพระสายวัดป่าดูท่านก็จะดูว่าเราพร้อมที่จะบวชหรือไม่ด้วยการให้เราอยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนเึกข่ายเป็นผ้าขาวไปพอท่านเห็นว่าพร้อมแล้วท่านจะจัดทุกอย่างให้เองไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้ให้ไปวัดยานก็ได้ครับอาจารย์ ให้ไปวัดพระจารย์ก็ได้ครับแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสตอนนี้ก็มีเจ้าอาวาสอยู่เจ้าผ่านเจ้าอาวาสให้นาเท่านี้ถ้าเจ้าอาวาสก็รับบวชก็บวชได้ถ้าบอกไม่มีเงินก็บอกก็ได้ทั้งวันมีบาทมีผ้าเยอะแยะไปการบวชไม่ยากครับนอกจากว่าอยากจะบวชตามประเพณีต้องจัดงานนี่มันถึงใช้เงินเยอะบวชแบมีหน้ามีตาต้องเชิญแขกเกลือมา เรียโต๊ะจีนหามหมอผสมมาอย่างนี้มันก็บวชหลายต่างถ้าจะบวชจริงๆนี่ขอให้มีบริทานอัตภารบริฐานท่านเองก็บวชได้แล้วเงินมีถวายพาดหรือไม่ก็แล้วแต่กำลังของเราไม่มีก็ไม่ต้องถวายคุณไอสุนาครับบอกการรักษาอุโบสถศีลกับการรักษาศีลแปดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับก็เป็นศีลแปดเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่า ผู้ที่รักษาอุโูโสดสิงนี้จะนอนอยู่ที่วัดนอนอยู่ในโบสถ์ขเขาเลยเรียกว่าเป็นอุูโสถสีงรักษาอยู่ที่อุูโสถสิงคือประเภทนี้ของชาวบ้านในวันพรในบางคนก็อยากจะไปรักษาสิบแปดที่วัดท้องก็เลยไปปฏิบัติในอุโูโสถในโบสถ์ทั้งฟังเทศฟังธรรมทั้งนั่งสมาธิเสร็จก็นอนในโบสถ์นะจนถึงตอนเช้าก็าถึงจะกลับบ้านอันนี้เขาเรียกว่าอุโูโสดสิงก็ศีบแปดเหมือนกับ ชินแปดธรรมดาชิ้นแปดนี่ไม่ได้อยู่ที่วัดกลับไปกลับไปบ้านแล้วไปรักษาที่บ้านต่อเ็เรียกว่าเป็นชิ8นแปดอาจารย์ครับมีคำถามที่ฝากถามมาในในในใต้โปรโมทนะครับขออนุญาตอ่านนะครับที่บ้านมีรูปพระพระที่ได้รับแจกมาตอนทาบุญถ้าเราอยากจะจัดท้องพระใหม่ให้โล่งๆจะสามารถนำไปไว้ที่ไหนได้บ้างคะก็เก็บไว้ในตู้เก็บไว้ที่ไหนก็ได้หรือยาให้ใครไปก็ได้ หรือถ้าอยากจะทำลายลก็เอาไปเผาทิ้งไปก็ได้คุณรักษาบอกว่าหลายๆครั้งหนูต้องโกหกแม่เพราะดูแลแม่ป่วยค่ะหนูรู้สึกว่าไม่ดีและเป็นบาปอยากให้แม่มีกำลังใจที่ดีและมีความสุขหนูขอย้อนรับผิดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์อาจจะประมาณ <ๆ S 2> แม่เขาป่วยหลายๆครั้งหนูต้องโกหกแม่เพราะดูแลแม่ที่ป่วยอะครับรู้สึก<อ>หนูรู้สึกไม่ดีและเป็นบาป อยากให้แม่มีกำลังใจที่ดีและมีความสุขเขาอย่ากกหกเลยมีวิธีทำให้ท่านมีกำลังใจได้โดยวิธียอยา่าไปโกหกได้ไม่คุ้มเสียคุณคุณละเลนถามบอกว่ากราบเรันพิธีการพระอาจารย์ค่ะอยากถามพระอาจารย์คำว่าตุสานะโสนโมพุทธายะความหมายคืออะไรคะอันนี้เราไม่ชำนาญทางบา ล, ลีาต้องขอไปด้วย ลงไปเปิด g ูก g l e ดูก็ได้คุณหยกๆยกบอกว่ารักษาศีลห้าทำให้รวยได้อย่างไรคะก็คืนได้เงินมาแล้วก็จะไม่ถูกเขายึดทัพย์กลับคืนไปอั่นี้ถ้าเราไปขโมยเงินเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกทบรวจจับเงินเท่าที่ได้มาเขาก็เอาเขาก็ยึดกลับคืนไปหมดแต่ถ้าเราหาเงินมาโดยวิธีสุดทีิริตไม่ไปทำผิดกฎหมายเงินนี้ก็จะเป็นของเราเป็นเงินที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่คุณจอมชัยครับหลังจากที่เราจเจริญสติเสร็จแล้วเราอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับจะได้รับไหมครับคือความจริงการจเจริญสติของเรานี้ไม่ได้เป็นวิธีที่เราจะอุทิศบุญตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนนี้ให้อุทิศบุญด้วยการทําทานทําบุญทําทานอย่างใดอย่างหนึ่งกับพระก็ได้กับบุคคลใดก็ได้เจตละแบ่งปันเงินทองส่วนหนึ่งของเราเขาแล้วเราก็จะได้มีความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญ เราสามารถอุทิศความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ร้องรับไระล้วได้คุณหนุ่มสิบสี่สรไอครับกราบนรรมส ก, การพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการกินเจกับไม่กินและผู้ที่ไม่กินเจจะถึงนิพพานได้ไหมครับคือการกินเจก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์นั่นเองส่วนการไม่กินเจก็คือการกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ต่างกันตรงไหนเพราะว่า ทั้งครูก็ไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เลยกันนั้งครูคนที่กินเนื้อสัตว์โดยที่ไม่ได้ไปฆ่าฆ่าฆ่า่าสัตว์นั้นมากินก็ไม่บาปเหมือนกับคนที่กินเจก็ไม่บาปเหมือนกันก็ไม่มีผลต่างกันตรงนั้นกินเจแล้วไม่กินเจอยู่ที่ว่าทําบาปหรือไม่ทําบาปถ้ากินเจแล้วยังไปทําบาปยังฆ่าสัตว์อยู่เช่นไปตบตบยุงฆ่ามดอยู่นี่มันก็มันก็บาป ถ้าทําบาปมันก็ไปถึงนิพพานไม่ได้กินเจนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะรับประกันว่าจะไปนิพพานได้ต้องไม่ทําบาปเป็นหนึ่งในหนึ่งในมรรคคือการไม่ทําบาปคือการรักษาศีลแล้วยังต้องมีการปฏิบัติอสมาธิและปัญญาถึงจะสามารถไปถึงความนิพพานได้ถ้ากินเจยอย่างเดียวไม่ทําบาปอย่างเดียวนี้ยังไปถึงความนิพพานไม่ได้ คุณจีจีสมายครับบอกว่าพระแต่ละรูปสอนไม่เหมือนกันจะยึดถือคําสอนของพระองค์ใดหรือจะแยกแยะพิจารณาอย่างไรคะว่าใครสอนถูกตามที่พระพุทธองค์สอนก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วกันเบื้องต้นเราควรจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนก่อนที่เราจะไปศึกษากับพระรูปอื่นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูกนั่นเอง การศึกษาจากพ่อพุทธเจ้าคือจากพระายรปดอกนี้มันอาจจะยากหน่นอยน่า จ, จะไม่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายทําให้เข้าใจยากพอเราศึกษาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็อาจจะไปหาพระที่ท่านดีปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบที่มีความรู้แล้ให้ท่านช่วยอธิบายขยายความคําสอนที่เราได้ศึกษามาอีกอีกทอดหนึ่งแล้วเราเราจะรู้ว่าท่านสอนถูกหรือสอนผิด เพาะว่าเรารู้อยู่แล้วอยู่คร่าวๆแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วก็สอนนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะได้สงสัยได้ว่าถ้าจะไม่ถูกแล้วยังเบื้องต้นนะควรจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก่อนก่อนที่เราจะไปศึกษากับพระลูกบุญต่อไปอาจารย์ครับมีเหลืออีกห้าข้อหมดถามห้าข้อหมดเลยนะครับขอบคุณครับ ุนพันีครับหอกพรา้าจารย์คะตอนนั่งสมาธิและรู้สึกว่าวิญญาณหลุดออกมาทางศีรษะและจะเข้าเข้าออกออกอย่างนั้นตลอดที่นั่งปฏิบัติอยู่ค่ะลักษณะแบบนี้จะเหมือนกับวิญญาณออกจากร่างตอนเสียชีวิตใช่ไหมคะอันนี้ไม่รู้นะแต่คิดว่าเป็นลักษณะของการไม่มีสติมากกว่าจิตอะไรกุ่มแต่งไปควรจะกลับมามีสติให้อยู่กับลมหายใจใหรืออยู่กับพุโทโธไปอาการเหล่านี้ก็จะหายไป คุณโอยู U, ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ลูกขาดความอบอุ่นในครอบครัวตอนเด็กรู้สึกแสวงหาความรักจากผู้อื่นจะใช้ปัญญาภาวนาอย่างไรให้หายคะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้หาความสุขจากตัวเราเองดีกว่าเพราะการหาหความสุขจากผู้อื่นนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ให้เรามาหาความสุขจากตัวเราเองดีกว่าที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาัทโธ หาความสุขจา ก, จากตัวเราตนเป็นที่ตื้นของตนตนเป็นผู้สร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านีา่เองคือไหว้พระสวดมนต์นัง่งสมาธิบำเทศ็ญธรรมแล้วเราจะได้มีความอบอุน่นมีความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งไปอาศัยคนอื่นให้ความสุขกับเราคุณกัญญาวีครับบอกว่าก่อนนอนนั่งสวดบทชินบัญชรกับอิติปิโส และเพิ่งนั่งสมาธิมาไม่ได้สวดบทอื่นๆแบบนี้ได้หรือไม่คะได้ถ้านั่งสมาธิได้ไม่ต้องสวดเลยก็ได้เพราะการนั่งสมาธินี้จะได้ประโยชน์มากกว่าการสวดคุณลุงอินพาไปเบิร์ครับบอกว่าการพิจารณากายในขณะจิตสงบโดยสมมุติเอารูปตนเองตายแล้วมาพิจารณาลอกหนังออกดูกายดูสิ่งปฏิกูลถูกต้องไหมครับ คืเวลาจิตสงบที่เราไม่ให้พิจารณาอะไรให้เราให้จิตออกจากความสงบก่อนแล้วเข้ามาพิจารณาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปกลายเป็นซากศพไปอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่าพิจารณาในขณะที่จิตสงบในสมาธิให้เราออกจากสมาธิมาก่อนแล้วค่อยพิจารณาคุณขวัญเซอร์วิสครับบอก กราบวัตถากรครับผมอยากรู้เมื่อตกนรกแล้วมาเกิดทําไมถึงยังมีกรรมตามมาอีกครับทําไมไม่หมดสิ้นไปคือมันมีกรรมตกค้างเนี่ยเวรมันกรรมหมดแล้วแต่เวรยังไม่หมดคือเรากลับมาเจอคนที่เราไปทำร้ายเขาเขาก็จะเขาก็จะจําเราได้เขาก็จะกลับมาจองเวรกับเราต่อแต่กรรมที่เราไปใช้ในนรกนั้นเป็นกรรมที่อ่ เป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาจากการไปทำบาปทากรรมหมดไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเวรไม่หมดเวรจะกลับมาเจอเจ้ า, จากรรมนายเวรก็ต้องใช้กันต่อไปถึงจะหมดอย่างสิ้นเชิงมีข้อหนึ่งนะครับอาจารย์คล้ายๆกันสองข้อก็เลยรวมให้ข้อเดียวนะครับมีบอกว่าการกำหนดเวทนาเวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย นะครับและอีกคนหนึ่งก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วปวดเขานั่งนานไม่ได้สรุปว่าให้กําหนดอย่างไรครับอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่ไปสนใจกับความเจ็บปวดเมื่อยของร่างกายให้พยายามเกาะติดอยู่กับการภาวนาคือการดูลมหายใจเข้าออกเนื่องการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความปวดเมื่อยของตามร่างกายต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองหรือมันจะไม่มาลบกวนใจและใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้ หมดแล้วครับพระอาจารย์ครับผมพอดีเวลาเลยครับครับผมอาจารย์ครับประมาดยนะสชั่วโมงครึ่งวันนี้ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าพอดีพี่บอยส่งข้อมูลมาเพิ่มนะครับอาจารย์นิดหนึ่งครับอ๋อมีคําถามพางเต็มเลยเดี๋ยวผมอาจจะเก็บไว้อ่านคําถามให้พระอาจารย์สับดาหหน้านะครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าวันนี้ขอกาบพระอาจารย์กับท่านผู้ชมสรุปตัวเลขให้ฟังนะครับอาจารย์ครับ ก็วันนี้ใน Facebook ของพระอาจารย์มีผู้ชมอยู่ห้าร้อยสาสิบเก้าคนนะครับใน YouTube พระสุชาติไลฟ์ห น, นึ่งร้อยแปดสิบอ็ดคนใน y o u t u ด e อกเตอร์วีชนลนี้ห3ร้อยสาสิบคนแล้วก็มีขับหาส์สิบห้าคนครับวันนี้มีผู้ฟังถามร่วมกันอยู่หนึ่งพันสามรอหสิห้าคนครับอาจารย์ครับอ่าก็ที่มีคนสนใจให้กับการฟังเทศฟังธรรมการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปูมเพราะรถแห่งธรรมชนะรถ รถทั้งปวงนั้นเองดังนั้นขอให้ท่านรักษาความลินดีในธรรมไว้ท่้นจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เนือกับรถทั้งปวงนั่นเองแล้วก็คิดว่าสบควแก่เวลาก็ขอลาจากท่านทั้งหลายไปขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไ ป, ไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาทู กับขอบคุณพระอาจารย์นะครับการับครับเป็นหน้าเปลี่ยนแปลงครับครับถูกครับอาจารย์ครับโอเคจบแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามโอ้ตอนนี้ยังอยู่กันหกร้อยสิบห้าคนนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เจอกันใหม่นะครับแล้วก็คําถามที่ค้างๆไว้ก็ถ้าเป็นไปได้เอามาถามใหม่ก็ดีนะแต่ว่าผมจะพยายามอ่าเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าถ้าลิสต์ที่ขึ้นในตอนที่ออกสดเนี่ยผมก็พยายามจะถามให้สดสดทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีคำถามค้างอยู่ครั้งหน้าก็มาถามด้วยกันใหม่นะแต่ผมจะพยายามบันทึกเอาไ้ด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็คืนนี้คงจะนอนหลับฝันดีแล้วเพราะว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ